ถามว่าในอาหารวาระนี้อาหารอะไรนํามาหมายว่าอาหารอะไรนําอะไรมาให้กับพระลิงก์กระหารนําอะไรมาให้รูปมีโอชาเป็นที่แปดอวินิโพคเขรูปแปดนั่นนำอะไรให้ให้น้ําหนักเพิ่มไงให้น้ําหนักเพิ่มนั่นแหละที่มันส่วนมาเพิ่มเพิ่มขึ้นตอนแรกนะปฏิสนธิครั้งแรกนี่นิดเดียวเองใช่ไหมเพราะอาหารมาบำรงบำรงตลอดน้ำหนักมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มครั้งแรกนี่เดียวเองอะนะ แรกปฏิส่วนทีจริงๆนิดเดียวเองมันมีอาหารเพิ่มน้ําหนักเพิ่มเพิ่มเพิมจากจากอะไรจากนิดเดียวไม่ถึงขีดใช่ไหมเอ่ปฏิส่นที่ครั้งแรกนี่น้ําหนักอีกกรัมหนึ่ง <c oughs> สักถึงหนึ่งกรัมไหมหมอไม่ถึงถึงกรัมไหมหมอไม่ถึงนะ <c oughs> ไม่ถึงกรัมอ่ะนะวินิดเดียวองเนงะอาหารมาเติมเติมเติมเติมเติมจนเท่าช้องเลยอนงะใหญ่เท่าช้องเลยนะเติมเติมเติมเติมเป็นกิโลเลยนะเป็นสิกิโลยี่สิบ ร้อยร้อยกิโลก็มีเป็นต้นเนี่ยเพราะเติมน้าหนักเติมเข้าไปแต่เพราะอาหารเนี่ยนะไปหาเติมมาหานื้ทั่วไปหมดก็เลยตัวเอาตัวเอาเนี่ยนะเหมือนกับพลีนกระอาหานนี่นําอะไรนําผมมาให้นําเล็บนําฟันนําหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกตับไตเป็นต้นเนี่ยพวกนี้แบบโครงสร้างเนี่ยกรรมเป็นตัวแต่งให้แต่าการเพิ่มเนี่ยเป็นตัวอาหารเนี่ยมาเพิ่มให้มาเติมให้อะไรใ ห, ให้ก็เป็นไปอย่างเงี้ยภาษาอาหารนํามาซึ่ง เวทนาเนี่ยนะถ้าเราไม่ว่างเว้นจากความรู้สึกเลยก็เพราะว่ามีภาษเนี่ยนะเพราะภาษานำมาซึ่งความรู้สึกคือเวทนาส่วนมโนสัญเจตนาหานําพสา ม, มาให้อภพบในอบายกระวักภพในการมาภูมิสิบในรูปประภูมิอรูปประภูมินี้ก็มาจากเจตนาอากุศลเจตนา12นํานำมาซึ่งอบาย4มหากุศลเจตนา8นํนำมาซึ่งกามสุขติ รูปาวจรเจตนาก็นำมาซึ่งรูปประพบอรูปาวจรเจตนาก็นำมาซึ่งอรูปภระพบส่วนวิญญาณอาหารก็นำนามรูปมาในขณะปฏิสนธิเพราะในขณะปฏิสนธิเมื่อนามรูปอย่างลงเนี่ยนะเมื่อปฏิสนธิจิตอย่างลงนามรูปก็อย่างลงเมื่อนามรูปอย่างลงแล้วก็พวังทจิตก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปอยู่อย่างงี้ถามว่านำมาให้อย่างไร อธิบายอย่างนี้ว่ากับพระลิงกราหานเพียงแต่วางไว้ในปากเท่านั้นก็ก่อตั้งรูปทั้ง8ให้เกิดขึ้นอาวางไว้ในปากนี้ก็ทราบซ่านเลยใช่ไหมกระตุ้นต่อมอะไรทั้งหลายเรื่องเกิดขึ้นนะเพะนั้นคำเข้าแต่ละคําที่ฟันเคี้ยวให้ละเอียดกลืนลงไปก็ตั้งรูปคือมันไม่เกิน8รูปหรอกที่มาจากอาหารเนี่ยนะรูปรูปอาหารอาหารรูปมันก็มีวินิพกครูป8ปดตอนั้นแหะนั้นเมื่อบริโภคก็เพิ่มอวินิพกครูป8เพิ่มบริโภค ร, รูป8เนี่ยนะ พันธ์กับพลิงกระหานนารูปที่มีโอชาเป็นที่8ดมาให้อย่างนี้แหลเพราะว่าในทางธรรมะเนี่ยมันจะสารอาหารชนิดใดอะไรอย่างไรก็ช่างเถอะมาแยกออกมาแล้วมันก็คือเนี่ยดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชามันก็มีอยู่เทา่านี้สีกลิ่นรสโอชาดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาเนี่ยนะก็ ม, มีอยู่เท่านี้แหละพันอาหารที่บริโภคทุกคําทุกมือและทุกทุกครั้งทุกผนทุกแห่งก็นํามาซึ่งอวินิโผครูปแปด ส่วนภาษาหานภาษาหานภาษาที่ให้เกิดสุขเวทนาภาษาที่จะให้เกิดสุขเวทนาเมื่อเกิดขึ้นจะนำสุขเวทนามาให้ภาษากับเรื่องที่ดีหัวเราะร่าเลยใช่ไหมภาษาบางอย่างเนี่ยเป็นที่ที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาก็เลยนำทุกขเวทนามาให้ภาษาบางอย่างเนี่ยนะที่จะนำก็นำอาทุกขมาสุขเวทนามาให้บางเรื่องที่เห็นปั๊บเนี่ยไม่รู้ดีใจมาจากไหนไม่รู้ท่วมมาเลยนะ บางอย่างเนี่ฟังปับ๊บทําไมมันดีใจซะนั่งเห็นสมเห็นนั่งอยู่เฉยๆดีๆเลยนะพอฟังบางคำปับ๊บปู่ดีใจร่าเริงมีความสุขมากดีใจหัวเราะร่าอย่นั้นแหละพอฟังอีกคำหนึ่งปับ๊บไอท้ที่หัวเราะหัวเราะอยู่นะหายไปหมดเลยนะร้องเอไอวายได้ทันทีหมดเลยนะพร้อมที่จะหน้าบึงหน้าบูดหน้าเบี้ยวพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างเนะนี่ยอิทธิพลของภาษาจากเจอบางเรื่องก็นั่งไงเน่ ย, เยนะไกลชีวิตชีวาชัางแห้งแรง้งเหลือเกินโลกนี้ เหมือนฝนไม่ตกมาตัง้งนมนาแล้วนีเฉยน่ยนะมันก็ภาษะในแต่ละทวารแต่ละทวานํามาซึ่งความรู้สึกดีใจบ้างเสียใจบ้างเฉยเบ้างเนี่ยนะก็แล้วแต่คิดถึงบางคนก็ดีใจคิดถึงบางคนก็เสียใจคิดถึงบางคนก็เฉยเฉยเนี่ยนะอารมณ์ทุกทวานเลยนะทวานตาก็เหมือนกันถ้าอิทถารมเมื่อรับภาษากับอิทถารมจะนํามาซึ่งความสุขถ้านับรับภาษาที่เป็นอนิจธารมอารมณ์ที่ไม่แน่ปรารถนาก็นํามาซึ่ง ความทุกข์ถ้าไปเจอมัจฉิตอารม์อารมณ์ปานกลางทั่วไปก็อุเบกขาเพราะตัวอารมณ์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งผัสสะผัสสะเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเมื่อรับกระทบสิ่งที่ดีที่ที่ตัวเองปรารถนาก็นํามาซึ่งความสุขถ้ารับอารมณ์ที่ไม่ดีที่ตัวไม่ปรารถนาไม่ต้องการก็นํามาซึ่งความทุกข์ถ้าเป็นทั่วๆไปก็เป็นที่ตั้งแห่งความเฉยๆเพราะน้นผัสสะทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนํามาซึ่งสุขทุกข์และ อุเบกขาทั้งหลายส่วนมโนสัญเจตนาหารคือตัวกรรมเนี่ยนะทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะให้เข้าถึงกรมมาพบจะนํากรมมาพบมาให้นะกายกรรมวจีกรรมเนี่ยนำเนี่ยที่มัมานั่งนั่งอยู่เนี่ก็เพราะกายกรรมวจีกรรมในอดีตเป็นตัจใจใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นมหากุศลเจตนา 8ปดอภูษณเจตนา12เจตนา20เหล่านี้เป็นตัวที่นํามาซึ่งกามะพบส่วนรูปาวจรเจตนาห้าก็นํามาซึ่งรูปะพบอรูปาวจรเจตนาสี่ก็นํามาซึ่งอรูปะพบพันเจตนา29เหล่านี้นําพบสามาให้อย่างนี้นะเจตนากามาวจรเจตนา20นํามาซึ่งกามะพบรูปาวจรเจตนาห้านำมาซึ่ง รูปภพอรูปาวจรเจตนาสีนำมาซึ่งอรูปภพส่วนวิญญาณอาหารท่านกล่าวว่านำขันสามที่สัมปยุตกับวิญญาณจิตนำอะไรมาก็นำเจตสิกที่เกิดร่วมกับนำสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตที่เรียกว่าเจตสิกเนี่ยนะเจตสิกนี่แปลว่าเกิดจากจิตนะนะหรือเกิดเกิดจากเจตสิกเกิดจากจิตสิ่งใดที่เกิดจากจิตเกิดโดยอาศัยจิต มีจิตเป็นเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยสิ่งนั้นเรียกว่าเจตสิกเพราะฉนจิตนี้นําอะไรมาก็นําเจตสิกทั้งหลายมาให้ขณะเดียวกันเนี่ยนะวิญญาณเหล่านี้ก็นํากรร ม, มชรูปในปฏิสนธิการทั้ง30สิรูปให้ให้มีขึ้นเนี่ยนะนำนำสันติสามมีอะไรบ้างนําหาทะยัทัศกะกายาทัศกะและภาวะทัศกะให้ในขณะที่เกิดขึ้น เนั้นขณะที่ปฏิสนธิยังลงในคันมารดาเนี่ยนะปฏิสนธิที่เกิดขึ้นปับ๊บเจตสิกทั้งหลายก็เกิดร่วมทันทีปฏิสนธิที่จิตอ น, น, นันนต์นำนำมาซึ่งหัตยะภาวะหัตยา ท, ยะทะกะกายะทัศกะและภาวะทะะัศกานะบางพวกก็ให้ให้สามอย่างนี้บางพวกก็ให้ตัดอะไรออกไปตัดภาวะเป็นคนที่ไม่มีภาวะเลยนะมีแต่หัตยะกับกายะ แต่ถ้าเป็นอรูปประพรมเลยนะขออภัยถ้าเป็นรูปประพรมเหลือแต่หัตย์ยทธสกะอย่างเดียวไม่มีกายยทธสกะไม่มีภาวะทัศกะถ้าพรมนะพรมนี่ไม่มีกายยทธสกะไม่มีภาวะทัศกะนำมาซึ่งทัศกะเดียวถ้าพวกพวกไร้เพศก็มามีแต่หัตย์ยักับกายถ้าของเราเราท่านท่านก็นำมาซึ่งหัตย์ยัทธสกะกายยทธสกะและภาวะทัศกะอละนี้ ปฏิสนทจิตอันนี้เป็นปัจจัยแก่เจตสิกและเป็นปัจจัยแก่กรรมมชรูปโดยกรรมะปัจจัยเออขออภัยโดยสหชาตปัจจัยหรืออรณสหชาตกรรมะปัจจัยนั่นเองเมันวิญญาณอาหารนํามาซึ่งรูปในปฏิสนที่ขณะให้อย่างนี้แลก็คิดง่ายๆว่าปฏิสนที่จิตเป็นปัจจัยแก่สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตแล้วก็เป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิด พร้อมกับจิตแล้วทำให้เจริญเติบโตสืบเนื่องตนโตถึงปัจจุบันนี่แหละในอาหารวาระนี้กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่ยังมีอาสวะอยู่นั่นแหละได้กล่าวว่ามโนสันเจตนาอาหารเพราะจะนำาพสามมาให้หมายถึงเจตนา29กนะกุศลเจตนาเท่าไหร่กุศลเจตนาเนี่ยนะแบวกไม่กุศลกุศลเจตนาที่นาเกิดมีเท่าไหร่ มากุศล8ดมากะตะเก้า 9, รวมเป็น17บเจ็ดนนะกนะุศลเจตนา17เจอกุศลเจตนา12บสองรวมเป็นเจตนา29บจะนํามาซึ่งพบสามมาให้เจตนา29นํ้านมาซึ่งพบสามปฏิสนธิวิญญาณ น, นั่นแหละท่านกล่าวว่าวิญญาณอาหารเพราะจะนํานามรูปมาในปฏิสนธิที่ขณะ ม, มาให้อาหารสามอย่างเหล่านี้ที่เป็นนามธรรมนะคือภสษาอาหาร วิญญาณอาหารและก็มโนสัญเจตนาอาหารทราบว่าเป็นอาหารโดยไม่แปล ก, กันเพราะนํามาซึ่งธรรมที่สัมปยุตกับวิญญาณเหล่านั้นและธรรมที่เป็นสมุทฐานแห่งวิญญาณเหล่านั้นไม่คิดง่ายๆว่ า, าวภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารนํามาซึ่งสัมปยุต ธ, ธรรมและรูปที่มีสิ่งเหล่านี้ทั้งสมอย่างเป็นสมุทฐานให้เกิดขึ้นถามว่าแล้วมันมันทำกิจเป็นอาหารตอนไหนบอกว่า กับพลิงกระหานเมื่อค้ำชูย่อมนำย่อมทำให้สําเร็จกิจคือการนำนำรูปมาเมื่อมันทํากิจนะเช่นหมายว่าไม่หมา ย, มายช่ว่าดูดซึมมาใช้ได้เมื่อไหร่นะหมายว่าเอามาใช้ได้เมื่อไหร่นะกับพลิงกระหานก็ทํากิจต่อเมื่อเอามาใช้งานได้นะอย่างเช่นอาหารที่ทานไปแล้วท้องเสียเป็นต้นก็แสดงว่าที่หลังออกมาทิ้งออกไปก็แสดงว่าไม่ได้ทํากิจค้าชูอะไรหรอก ภาษาเมื่อถูกต้องนั่นแหละย่อมนำมาซึ่งเวทนามโนสันเจตนาหารเมื่อประมวลมาอายุหะณะเนี่ยนะคือประมวลมานั่นแหละทำให้สำเร็จกิจคือการนำพบมาวิญญาณอาหารเมื่อรู้อยู่นั่นแหละให้สำเร็จกิจคือการนำนามรูปในปฏิสนธิขณะ ม, มาอย่างไรก็คือกับพลิงกอาหารเมื่อคาชูอยู่นั่นเองจะมีการดารง สัตว์ทั้งหลายเอาไว้ได้โดยการดํารงกายเอาไว้ได้เพราะว่าร่างกายนี้ถึงกรรมจะตกแต่งให้เกิดขึ้นร่างกายแต่ละคนทําไมไม่เหมือนกันรูปร่างผิวพรรณหน้าตาสวทรงเป็นต้นทําไมแตกต่างกันไปเพราะกรรมเนี่ยทำให้แตกต่างกันอาหารก็ค้าชูเอาไว้จึงดํารงอยู่ได้จนกําหนดอายุสิปี20ปี30ปีร้อยปีก็มีใช่ไหมก็เพราะอาหารนี่แหละดารงมาจนอายุยืนยาวจนละโลกนี้ไปเหมือนอะไรเหมือน กรรมเนี่ยเหมือนเหมือนกับแม่ผู้ให้ทารกเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนทารกที่มารดาให้เกิดแล้วก็เปรียบเหมือนอะไรมารดาเหมือนกับกรรมชรูอ่าเปรียบเหมือนกรรมนะทารกก็เหมือนกรรมชรูปเนี่ยนะแม่นมให้ดื่มนมเป็นต้นเลี้ยงดูอยู่จึงดํารงอยู่ได้นานแลแม่นมก็เหมือนกับอะไรเหมือนอาหารชรูปที่มาดํารงอยู่นี่อีกในหนึ่งเขาบอกเหมือนเรือนที่ใช้ไม้ค้ำเนี่ยค้ำเอาไว้เรือนเก่าจะพูด จะแครี์ว่าจะล้มไม่ล้มแหลดังที่พระเจ้ามิลินได้กล่าวกับพร ะ, พระนาคเสีกล่าวกับพระเจ้ามิลินว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษเมื่อเรือนจะล้มคนทั้งหลายเอาไม้อื่นมาค้ำเอาไว้เรือนนั้นที่ถูกไม้อื่นค้ำเอาไว้ก็ทรงตัวอยู่ได้เครี์ว่าจะล้มไม่ล้มแหลก็มีไม้ค้ำไม่ยันเนี่ยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเรือนนั้นจะไม่ล้มฉันใด ขอถวายพระพรมหาบาพิตราชสมผ่านเจ้าร่างกายนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันนั่นและดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้กับพลิงกราหานเมื่อดำรงอยู่กับพลิงกราหานเมื่อคำจุนร่างกายอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าให้สําเร็จหน้าที่ของอาหารคือนํารูปมาและเมื่อให้สําเร็จอาหารกิจอยู่นั่นและอยู่อย่างนี้กับพลิงกราหานก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่ง รูปสันตติสองอย่างด้วยกันนะรูปสันตติสองอย่างคืออะไรคือเป็นปัจจัยของรูปที่มีอาหารเป็นสมุทรฐานด้วยรูปที่มีตันหาและทิฏฐิถือเอาแล้วด้วยใหม่รูปในร่างกายนี่ปกติมีกี่สมุทฐานสี่สมุทฐานรูปที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุและเกิดจากอาหารอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยสาคัญแก่รูปสองสมุฐานรูปสองสมุทฐานคืออะไรหนึ่ง อาหารสมุทฐานสองกรรมสมุทฐานก็คือรูปที่มีรูปที่ตัณหาและทิฏฐิยึดถือเอาแล้วเนี่ยในหมายถึงกรรมมชรูปกับพลิงกราหารเป็นสิ่งที่ตามรักษากรรมมชรูปเช่นตามรักษาตารักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาหัตยารักษาภาวะรักษาชีวิตให้เป็นไปได้เนี่ยนะกับพลิงกระหารเป็นตัวรักษา กับพลิงกระาหานเนี่ยนะเป็นผู้ให้เกิดแก่รูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานดํารงอยู่ได้อาหารชรูปถ้าไม่มีอาหารเติมเข้าไปอยู่ได้ไหมไม่ได้ น, นะนะแต่ก็เป็นตัวอุปธรรมจิตตชรูปกับอุตตชรูปเหมือนกันนะถ้าอย่างเช่นจิตตชรูปไม่ค่อยมีแรงเลยนะถ้าขาดอาหารยกมือก็แทบจะยกไม่ขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะเนี่หนังตาบางๆมันก็จะยกไม่ขึ้นเหมือนกันนะถ้ามันหิวมากๆเลยนะ ง่วงเลยนะหิวมากบางทงหิวจุดๆเนี่ก็ลืมตาไม่ขึ้นเหมือนกันนะมันเอ๊ะไม่น่าเชื่อนะนะปกติหนังตาเนี่ก็เบาๆเนี่นะลืมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทีน่ามันเข้ากับหิวเต็มที่นี่แห ม, มลืมไม่ขึ้นเหมือนกันสรุปว่าอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายที่เกิดจากกรรมอาหารเป็นต่อรูตัวหล่อเลี้ยงรูปที่ เป็นตัวที่ทําให้อาหารชรูปนี้เกิดขึ้นคือในทางธรรมะนั้นถือว่าร่างกายของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่สมุธฐานเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารผมก็เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกพวกนี้โดยมากก็เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารบางอย่างเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารบางอย่างเกิดจากกรรมอย่างเดียวบางอย่างเกิดจากจิตอย่างเดียวบางอย่างเกิดจากอุตุอย่างเดียวเนี่ยนะบางอย่างเกิดตั้งกรรมจิตและอุตุเลยแล้วก็แบ่งกันไปตามนั้นไป อาหารแต่ว่ารูปทั้งสี่สมุทฐานเนี่ยถ้าไม่เพิ่มอาหารอยู่ตลอดเวลานี้ไปไม่ได้เนี่ยนะไปไม่ได้หรือไปได้ก็ไปได้ไม่นานเนี่ยนะมันลองตัดอาหารตัดข้าวตัดน้ําตัดอาหารครั้งเดียวอยู่ในห้องเนี่ยนะไม่ไม่ต้องเพิ่มอะไรสักอย่างก็อยู่ได้ไม่นานส่วนภาษะเมื่อถูกต้องอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็เกิดความสุขใช่ไหมเมื่อดํารงรับอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็เกิด ความทุกข์เมื่อรับอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาก็เกิดอุเบกขาเนี่ยนะชื่อว่ามีอยู่เพื่อการดำรงอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายให้สัตว์เนี่ยนะหมุนเวียนไปในสุขเวทนาบ้างเดี๋ยวก็หมุนไปในสุขเดี๋ยวก็หมุนไปในทุกข์เดี๋ยวก็หมุนไปในอุเบกขาก็สุดแท้แต่ภัสสะใช่ไหมสแสวงหาภัสสะเพื่อสุขทุกข์และอุเบกขาเนี่ยนะผัสสะนำมาซึ่งสุขทุกข์และอุเบกขาเพรา ะ, ะถ้าเราดีใจอะไรหนึ่งาถามม า, มาจากภัสสะไหน ถ้าเสียใจบอกมาจากภาษาไหนถ้าชเฉยนี่มาจากภาษาไหนเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะัรร์ทั้งหลายก็หมุนเวียนอยู่ด้วยเวทนาเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจและอุเบกขาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าก็เวทนามีสามอย่างแลคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมสุขเวทนาทีนี้เมื่อใดขณะใดที่สวยสุขเวทนาขณะนั้นจะไม่มีทุกไม่มีอุเบกขา ขณะใดที่มีทุกข์ก็มีแต่ทุกข์ไม่มีอุเบกขาและสุขขณะใดที่มีอุเบกขาก็จะมีแต่อุเบกขาไม่มีไม่มีอะไรไม่มีสุขไม่มีทุกข์อาะแล้วบางคนหัวเราะแล้วก็ร้องไห้อ่ะคนลักษณะาการสุขเสร็จแล้วค่อยทุกข์อย่างที่อะไรนะในสุวรรณสามชาดกเนี่ยก็เป็นระยักษ์สุวรรณสามเนี่ยไปเห็นแม่ตาบอดเห็นพ่อเห็นแม่ตาบอดแล้วก็รอ้ อ, รองไห้พอร้องไห้จบแล้วก็หัวเราะ แม่ก็เลยเอ้าวทำไมหัวร้องไห้อะแล้วทำไมหัวเราะร้องให้เสียใจว่าพ่อแม่เนี่ยไม่หน้าตาบอดเร็วเกินวัยอันสมควรอย่างนี้อันนี้เราเลยเสียใจที่พ่อแม่ตาบอดไอ้ที่ดีใจนี่ดีใจว่าเออจะได้ทําบุญเลี้ยงดูพ่อแม่สักทีหนึง่งอยากจะทํากิจอันนี้มานานแล้วจะได้ทําบุญอุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ดีใจที่ได้บํารุงเลี้ยงดูพ่อแม่ดีใจที่จะได้ทําบุญแต่เสียใจที่พ่อแม่ตาบอดก็พอคิดถึงตาบอดปับ๊บร้องไห้เลย พอคิดถึงบุญที่ตัวเองจะได้บำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ดีใจเลยนะีนะก็คิดกันคนละเรื่องการในที่หัวเราะเสร็จแล้วก็ร้องให้ร้องให้เสร็จแล้วก็หัวเราะไม่ใช่ขณะเดียวกันคนละตอนคนละขณะกันอันเดียวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็อุเบกขานีนะนะส่วนมโนสัญเจตนาหารเมื่อประมวลไว้ก็คือประมวลอะไรประมวลด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพื่อการดำรงอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายโดยเป็นรากเง้าแห่งพบทั้งหลาย ถ้ายังทํากรรมอยู่กันอย่างนี้มากๆ ก, กันเนี่ยจะคิดนะว่าสิ้นสุดแห่งทุกข์จะมีนะพูดมากๆอย่างนี้โอ้ยที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนนี่อยู่ไหมอยู่ตรงไห น, นอา้าวจีกรรมก็ให้ผลเป็นเป็นวิบากกรรมชรูปต่อไปเนี่ยนะกายกรรมก็ให้ผลเป็นวิบากกรรมชรูปต่อไปมโนกรรมอ่ะก็ให้ผลเป็นวิบากกรรมมาชรูปต่อไปนี่พวกนี้เป็นมโนสันเจตนาหารทั้งนั้นทั้งกายกรรมทั้งวัจจิกำและมโนกรรมก็นํามาซึ่งพบอยู่นี่แหละ นํามาซึ่งพบเนี่ยนำมาอย่างไงก็นํามาซึ่งกรรมวิปปัติภพนะนํามาซึ่งวิบากและกรรมชรุกคิดง่ายๆอย่างที่คุ้นเคยกันบ่อยๆก็ไม่รู้ว่าพูดหนึ่งคำออกมาปับ๊บทุกคําที่พูดเปล่งออกมาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2อถึงหให้ผลในชาติที่สเป็นต้นไปคิดนั่งเฉยๆไม่ทําคำนะคือเฉยๆดีกว่านั่นแหละความคิดอันนั้นดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6 ให้ผลในชาติที่3ามเป็นต้นไปจะแกล้งไม่ทํากรรมช่ยนั่นก็เป็นกรรมหนึ่งเหมือนนะเอาหลับแล้วฝันฝันก็เป็นกรรมดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2อถึงหให้ผลในชาติที่3าเป็นต้นไปเ<ฤ>นี่ยนะเอาขนาดไหนไม่เป็นกรรมแล้วที่สุดแห่งกรรมมันจะอยู่ที่ไหนแล้วกรรมเนี่ยทำหนึ่งครั้งนะอย่างขอมาพูด1คํางคแล้วมันให้ผลหนึ่งดวงช่วยมันให้ผลเป็นเท่าไหร่คูณแสนคูณล้านก็เหมือนกับว่าเอามะม่วงพันดีไปปลูกเนี่ยนะปลูกในดินดีเนี่ยปลูก1เม็ดเนี่ย จะให้ลูกกี่ลูกดีโอ้ยปีหนึ่งหลายหลายสิบกิโลเลยนะปีหนึ่งหลายสิบกิโลจนกว่าอายุต้นนั้นจะตายแล้วมีกี่ลูกเท่าไหร่ชั้นใดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันผลิตผลนี่ออกมากมายมันไม่ต้องห่วงว่าเราจะได้ไม่ได้อยู่ในวัฏฏนานานะเพราะทำทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมทํากันตั้งแต่เท้าจนค่ำจนดึกเดินกระทากันทั้งกายกรรมวัมจีกกรรมมโนกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหน สารพันอาหารเนี่ยมันมโนสัญเจตนาอาหารเนี่ยทำให้ไหลไปในวัตตะได้อย่างยืดยาวเนี่ยนั่นก็กรรมเหล่านี้เป็นตัวจําแนกภบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางอย่างทําให้เกิดในอบายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางอย่างทําให้เกิดในมนุษย์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางอย่างทําให้เกิดในเทวดามโนกรรมบางอย่างทําให้เกิดในพรมชั้นแต่ละอย่างก็ตามสุดแท้แต่มโนกรรมเพราะฌานทั้งหลายเป็นมโนกรรมเนี่ยนั ส่วนวิญญาณเมื่อรู้อยู่นั่นแหละดำรงอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นไปแห่งนามรูปเมื่อรู้อยู่เนี่ยเช่นเมื่อจิตเกิดขึ้นเนี่ยจิตที่ไม่ทําจิตตะรูชมีอะไรบ้างถ้าพูดขณะนี้เอาแบบธรรมดาเนี่ยขณะเห็นไม่ทําจิตตะชูปจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นเรียกว่าทวิปัญจะไม่ทําจิตตะชูปจิตที่เหลือจากนี้ไปทําจิตตะชูปตลอดเวลาทําจิตตะรูบแล้วจิตทุกดวงทําให้เกิดเจตสิกหมดเลยจิตทุกดวงทําให้เกิดเจตสิกทั้งหมด จิตทุกดวง เ, เวน้นทวิปัญจะเนี่ยนะทำจิตตรูปอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยพันจิตที่เกิดขึ้นทําทั้งจิตให้เจตสิกเกิดขึ้นทำทั้งจิ ต, จต ท, ทำทั้งจิตททจตชรูปให้ไหลไปจิตทุกดวงมันเป็นอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราชอบบริโภคอาหารไหนมากที่สุดทุกอาหารเล ไ, ไม่ขาดสักอาหารเลยนะไม่มีโรคขาดอาหารสักโรคเดียวเลยไม่ขาดกัเพรียงกระหารไม่ขาดภาษาอาหารเพราะไม่เคยขาดภาษาอาหารเนี่ยจึงมีเวทนาอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่เคยขาดมโนสันเจตนาอาหารจึงดำรงอยู่ในภพได้ตลอดเวลาเพราะไม่เคยขาดวิญญาณอาหารจึงมีจิตจึงมีเจตสิกมีจิตเชรูปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันก็ไม่ขาดอาหารนะถกลงม่หน้าอะไอยู่ในวัตฏะได้นานเพราะไม่ขาดอาหารอย่างนี้แหลเอ๊ะถ้าจะตัดอาหารไม่ให้มันอยู่ในวัตฏะต่อไปนี่ตัดอาหารไหนตัดอาอาหารคือมโนสันเจตนาอาหารเพื่อตัดวิญญาณอาหาร ที่จริงนะถ้าไล่ในลรดาการตัดอาหารนี่เขาตัดอย่างไรถ้าถ้าบอกว่าเบื่อแล้วเกินว่าต่านี่นะไม่ต้องการเพิ่มอาหารบอกตัดที่ไหนตัดที่มโนสัญเจตนาอาหารก่อนทีจริงก็ตัดที่กิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้มโนสัญเจตนาอาหารนําเกิดแล้วก็ถ้ามโนสัญเจตนาอาหารดับปฏิวิ ญ, ญญาณอาหารก็ ก, ก, ก็ดับถ้าวิ ญ, ญญาณอาหารดับผัสส า, ารก็ถูกทําลายถ้าไม่มีผัสส า, ารเป็นต้นก็ไม่มีรูปอะไรที่จะต้องไปบริโภค ก, กับพลิงกระหารอีกต่อไปเนี่ยนะ ก็ทำลายวัตตะได้เสร็จสิ้นมันก็อดทานอะไรอร่อยๆสิเฮ้ยผักก็กรอบเป็นต้นนี่ยยังไงก็อ้าวไม่เป็นไร้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ยเขาก็ปลูกผักไว้ขายนั่นแหละเจ้ไเสียดายภาษาบางงันแต่เอ้าก็ไม่เป็นไร้ายาก็ภาษารับกระทบทั้งทุกวันเขาก็ไว้ให้ใช้สอยเนี่ยนะเช่นสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็ไว้ให้เที่ยวนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเ้าก็เปิดประตูรับตามเวลาของงั้น ถ้าบริโภคภาษาก็บรภาษาไปนีในถามว่าอาหารทั้งสี่ประการเหล่านี้มีไั่ไห ม, ไมพูดถึงไัยในอาหารสี่ประการก็น่าจะเป็นเสียดายเนี่ยตอนบ่ายก็แล้วกันนะเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยพูดถึงไัยของอาหารจนพรช่งเช้านี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้